ตอนที่10วักที่6ปัญหาที่3าถามถึงลักษณะมหาบุรุษ32ของพระพุทธมารดาบิดาข้าแต่พระนาคเษนพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32และประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีสีพระกายดังทองคำมีพระรัศมีสว่างรอบพระองค์ด้านละหนึ่งวาเป็นนิ จริงหรือขอถวายพระพรจริงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระมารดาบิดาประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษส2สสองประการกับประดับด้วยอนุพยัญชนะแปสิบประการมีสีพระกายดังทองคำมีพระรัศมีข้างละหนึ่งวาหรือไม่ขอถวายพระพรพระมารดาบิดาไม่เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระนาคเษนเมื่อพระมารดาบิดาไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเพราะธรรมดาบุตรย่อมคล้ายกับมารดาหรือคล้ายกับข้างบิดาขอถวายพระพรดอกประทุมหรือดอกอุบลดอกโกมุตหรือดอกบุญทริกมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าเพราะดอกบัวเหล่านั้นเกิดอยู่ในน้ำ เกิดอยู่ในดินแช่อยู่ในน้ำขอถวายพระพรดอกบัวเรานั้นมีสีกลิ่นรสเหมือนดินกับน้ำหรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นดอกบัวเรานั้นมีสีกลิ่นรสเหมือนกับโครนกับตมหรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษ พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจแก้เป็นอันแก้ถูกต้องดีแล้ว